เจ้ากรุงปัญจาลได้สรับดังนั้นจึงตรัสกับอาจารย์เกวัตตะว่าเราไม่อาจจะยึดเอาเมืองด้วยสิ้นฟืนท่านจงเลิอกอุบายนี้เสียรามเกวัตตะทูลว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกอุบายอื่นยังมีพระเจ้าจุลณีตรัสถามว่าอุบายอย่างไรอีกเรายังไม่เห็นอุบายของท่านสำเร็จเราไม่สามารถจะยึดเอาวิเทหรัได้ เราจะกลับเมืองของเราเกวัตตะจึงทูลว่าความอายว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกับพระราชาร้อยเอ็ดไม่สามารถจะยึดเอาวิเทหรัฐได้จักมีแก่พวกเรามโหสดจักเป็นบัณฑิตอย่างไรแม้ข้าพระองค์ก็เป็นบัณฑิตแท้จริงพวกเราจะทำเลสอันหนึ่งพระราชาตรัสว่าเลสอะไรเกวัตตะจิงทูลเสนอว่า พวกเราจะทาธรร ม, รมยุทธ์พระราชาตรัสถามว่า อ, อะไรเรียกว่าธรรมยุทธ์เกวตตะทุนตอบว่าเสนาจักไม่ต้องรบก็แต่บัณฑิตทั้งสองของพระราชาทั้งสองจักอยู่ในที่เดียวกันในบัณฑิตทั้งสองนั้นบัณฑิตใดจักไหวบัณฑิตนั้นจักแพ้ก็มโหสถไม่รู้ความคิดนี้และข้าพระองค์ก็เป็นผู้แก่กว่า มโหสดยังเป็นหนุ่มเห็นข้าพระองค์ก็จักไหว้มโหสดไหว้ข้าพระองค์เมื่อใดชาวแคว้นวิเทหะก็จักชื่อว่าอันพวกเราชนะแล้วที่นั้นพวกเราจักยังวิเทหรัฐให้ปราชัยแล้วยึดไว้เป็นเมืองของตนความอายจักไม่มีแก่พวกเราด้วยประการชนี้รบด้วยเลสนี้ชื่อว่าธรรมยุทธ ฝ่ายมโหสดได้ทราบประหัตเหตุเหมือนหนหลังจึงคิดว่าถ้าเราแพ้เกวตตะเราก็ไม่ใช่บัณฑิตส่วนพระเจ้าจุลนีพรหมทัตต ร, รัสว่าอุบายนี้งามละอาจารย์ให้เขียนราชสารความว่าพรุ่งนี้ธรรมยุทธจกมีชนะหรือปราชัยโดยธรรมโดยเสมอจกมีแก่บัณฑิตทั้งสองผู้ใดไม่ทาธรรมยุทธ ผู้นั้นชื่อว่า่ายแพ้ดังนี้แล้วส่งไปถวายพระเจ้าวิเทหราชทางประตูน้อยพระเจ้ากรุงมิถิลาได้ทรงสดับราชสารนั้นให้เรียกมโหสถมาแจ้งเนื้อความนั้นมโหสถกราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะขอสมมุติเทพพระราชทานราชสารต่อไปว่าชาวกรุงมิถิลาจะเตรียมจัดสนามธรำยุทธ ไว้ทางประตูด้านปัดจิมทิศกองทัพกรุงปัญจาละจงมาสู่สนามธรรมยุทธ์ในวันพรุ่งนี้พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคําของมโหสถจึงพระราชทานราชสารตอบแก่ทูตผู้มาแล้วนั่นเองมโหสถให้เตรียมจัดสนามธรรมยุทธ์ทางประตูด้านปัดจิมมะทิศด้วยคิดว่าปราชัยจกมีแก่เกวตตะวันพรุ่งนี้ ฝายเหล่าบุรุษที่มโหสถวางไว้ร้อยเอ็ดคนก็ล้อมเกวัตตะไว้เพื่อประโยชน์แก่การอารักขามโหสถ ด, ด้วยคิดว่าใครจะรู้เหตุการณ์เหตุการณ์อะไรจะเกิดมีส่วนพระราชาร้อยเอ็ดก็ไปสู่สนามธรรมยุตยืนคอยดูทางปราจีนทิศพรามเกวัตตะก็ไปเช่นนั้นเหมือนกัน ฝายมโหสดบรมาโพธิสัตว์สนานน้ำหอมแต่เช้าทีเดียวนุ่งผ้ามาแต่แคว้นกาสีราคานับด้วยแสนกหาปณะนะแล้วประดับเครื่องอลังการทั้งปวงบริโภคโภชนาหารมีรถเลิศต่างๆไปสู่พระทวารด้วยบริวารใหญ่ครั้นได้พระราชาอนุญาตให้เข้าเฝ้าว่าบุตรของเราจงเข้ามาดังนี้ก็เข้าไปถวายบังคมพระราชา ยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งครั้นได้สดับพระราชดำรัสถามถึงเหตุที่มาเฝ้าจึงกราบทูลว่าจากไปสนามธรรมยุทธ์ครั้นตรัสถามว่าจะต้องการอะไรจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ประสงค์จะลวงเกวัตตะด้วยแก้วมณีควรที่ข้าพระองค์จะได้มณีรัตนะแปดเหลี่ยมพระราชาก็ทรงอนุญาต มโหสดรับมณีรัตนนั้นแล้วถวายบังคมพระราชาลงจากพระราชนิเวศมีโยธาสหชาตพันหนึ่งแวดล้อมขึ้นสู่รถอันประเสริฐเทียมด้วยม้าสเสวยสินทพอันควรค่าก้าหมื่นกหาปณะนะถึงริมประตูเวลากินอาหารเช้าฝ่ายเกวตตะยืนคอยดูทางมาแห่งมโหสดด้วยคิดว่า มโหสถจากมาถึงบัดนี้บัดนี้เป็นเสมือนยื่นคอด้วยแหลหาเหงื่อไหลโสมด้วยความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ปลายมโหสถเต็มไปด้วยความเป็นผู้มีบริวารมากดุดมหาสมุทรท่วมทับเป็นผู้มิได้หวาดสะดุ้งมิได้ขนพองดุดไกรสอนสีหราชให้เปิดประตูออกจากพระนครลงจากรถดำเนินไปอย่างองอาจดุดพระยาราชสี พระราชาร้อยเอ็ดเห็นสิริรูปแห่งพระโพธิสัตว์ก็ยังสับสําเนียงเอิกเกรกิกสันเสริญเกียรติพระโพธิสัตว์ให้เป็นไปว่าได้ยินว่าบุศริวัธกะเศรษฐีผู้มีนามว่ามโหสถบัณฑิตผู้ไม่เป็นที่สองไม่มีใครเปรียบด้วยความปรีชาในสกลชมพูทวีปฝ่ายมโหสถประหนึ่งเท้าสักกะ อันคณะเทพแวดล้อมมีสิริสมบัติหาที่เปรียบนี้ได้ถือมณีรัตนะเดินตรงไปหาพรามเกวัตตะส่วนปุโรหิตเกวัตตะเห็นมโหสดปรมมโพธิสัตว์ก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้ลุกขึ้นต้อนรับกล่าวว่าท่านมโหสดบัณฑิตเราทั้งสองเป็นบัณฑิตเหมือนกันเมื่อพวกข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี้นานเพราะท่าน ท่านไม่ส่งสักว่าเครื่องบรรณาการมาบ้างเพราะเหตุไรท่านจึงได้ทำอย่างนี้ลำดับนั้นมโหสถกล่าวตอบเกวตตะว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าหาบรรณาการที่สมควรแก่ท่านเพ่งได้มณีวันนี้เองท่านจงรับเอามณีรัตนนี้มณีรัตนะอื่นอย่างนี้หาไม่ได้ทีเดียว เกวตตะเห็นมณีรัตน์อันรุ่งเรืองอยู่ในมือมโหสถก็คิดว่ามโหสถจักประสงค์ให้เราจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนี้ท่านจงให้แล้วเหยียดมือคอยรับมโหสถจึงกล่าวว่าท่านคอยรับเถิดแล้วโยนไปให้ตกณ น, นิ้วมือที่เหยียดรับลำดับนั้นเกวตตะไม่อาจทานแก้วมณีอันมีน้ำหนักด้วยนิ้วมือ แก้วมณีก็พลาดตกใกล้เท้ามโหสถเกวัตตะก็น้อมกายลงแทบเท้าแห่งมโหสถ ด, ด้วยใครจะถือเอาเพราะความโลภลำดับนั้นมโหสถก็ไม่ให้เกวัตตะลุกขึ้นได้จับคอเกวัตตะไว้ด้วยมือข้างหนึ่งจับชายกระเบนไว้ด้วยมือข้างหนึ่งกล่าวว่าลุกขึ้นสิท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเป็นเด็กเท่ากับหลานของท่านท่านอย่าไหว้ข้าพเจ้าเลย แล้วยังหน้าของเกวัตตะให้สีลงที่พื้นกลับไปกลับมาจนหน้าเปื้อนด้วยโลหิตแล้วกล่าวว่าคนอันธพาลเจ้าหวังการไหวจากเราหรือกล่าวฉะนั้นแล้วจับคอซัดไปเกวัตตะไปตกลงในที่ราวหนึ่งอุสุพะลุกขึ้นหนีไปโยธาของมโหสถก็หยิบเอาแก้วมณีไว้เสียงมโหสถร้องว่า ลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดอย่าไหว้เราเลยดังนี้ได้ยินทั่วบริษัทส่วนบริษัทของมโหสถก็กล่าวว่าเกวตตะไหว้เท้าของมโหสถแล้วโหวร้องแซ่เป็นเสียงเดียวกันพระราชาร้อยเอ็ดตลอดพระเจ้าจุลณีก็ได้เห็นเกวตตะน้อมกายลงแทบเท้ามโหสถพระราชาเหล่านั้นคิดว่า บัณฑิตของพวกเราไหว้มโหสถบัณฑิตแล้วบัดนี้พวกเราเป็นอันพ่ายแพ้มโหสถจักไม่ให้ชีวิตแก่พวกเราคิดชะนี้แล้วต่างก็ขึ้นมาของตนปรารบเพื่อหนีตรงไปอุตตรประเทศบริษัทของพระโพธิสัตว์เห็นพระราชาเหล่านั้นหนีไปแล้วจึงบอกกันว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพาพระราชาร้อยเอ็ดหนีไปแล้ว ก็โหร้องกันอีกพระราชาทั้งปวงได้สดับเสียงนั้นกลัวแต่มรณะภัยก็พากันแตกกองทัพหนีไปบริษัทของพระโพธิสัตว์ก็บรรลือสำเนียงเกลียวกราวโกลาหนใหญ่พระมหาสัตว์เป็นผู้เสนางคณิกรแวดล้อมกลับเข้าสู่กรุงมิถิลาปายกองทัพของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตหนีไปได้สามยศ ไายเกวตตะก็ขึ้นม้าแล้วเช็ดโลหิตที่หน้าผากไปถึงกองทัพนั่งอยู่บนหลังม้ากล่าวว่าแน่ท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าหนีไปเลยเราไม่ได้ไหว้บุตรคฤหบดีผู้ชื่อว่ามโหสดดอกท่านทั้งหลายหยุดเถิดเสนาไม่เชื่อไม่หยุดคงเดินไปพากันกลด่าเกวตตะอยู่กล่าวว่าแน่พรามชั่ว ผู้มีธรรมเป็นบาปท่านกล่าวว่าเราจะทำธรรมยุทธ์แล้วมาไหว้มโหสดผู้คราวหลานผู้ไม่เพียงพอจะไหว้กิจที่พวกขพเจ้าจะพึงทำแก่ท่านไม่มีกล่าวชะนี้แล้วก็ไม่ฟังถ้อยคำของเกวตตะคงเดินไปถ่ายเดียวเกวตตะไปโดยเร็วถึงกองทัพจึงกล่าวว่าผู้จเจริญทั้งหลายพวกท่านจงเชื่อเราเถิดเราไม่ได้ไหว้มโหสด มโหสดลวงเราด้วยแก้วมณียังพระราชาทั้งปวงเหล่านั้นให้รู้โดยอาการต่างๆให้เชื่อถ้อยคำของตนยังกองทัพอันแตกกระจัดกระจายแล้วนั้นให้กลับควบคุมกันเป็นปกติก็เสนาใหญ่ถึงเพียงนั้นหากจะถือกําฝุ่นหรือก้อนดินก้อนหนึ่งซัดไปไซ้กองฝุ่นและดินราวท่ากําแพงเมืองพึงเต็มคูเมือง ก็แต่ความประสงค์แห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมสำเร็จเพราะเหตุนั้นแม้บุคคลผู้หนึ่งหันหน้าเฉพาะเมืองซัดกําฝุ่นหรือก้อนดินจึงไม่มีเลยกองทัพแม้ทั้งปวงกลับถึงสถานที่ตั้งค่ายของตนพระราชาจุลณีตรัสถามเกวัตตะว่าเราจะทำอย่างไรอาจารย์เกวัตตะทูลตอบว่าเราทั้งหลายไม่ให้ใครๆออกจากประตูน้อย ตัดการเข้าออกเสียชาวเมืองออกไม่ได้ก็จักเดือดร้อนเปิดประตูทีนั้นพวกเราจักจับเหล่าปัจจามิตรได้พระราชาตรัสรับรองว่าอุบายนี้งามปายมโหสถรู้ข่าวนั้นโดยในหนหลังจึงคิดว่าเมื่อกองทัพปัญจาลนะครล้อมอยู่ในที่นี้นานพวกเราจักไม่มีความผาสุก ควรที่จะให้กองทัพนั้นหนีไปด้วยอุบายจักให้หนีไปแผนการมโหสถพิจารณาหาคนฉลาดคิดคนหนึ่งก็เห็นพรามหนึ่งชื่ออนุเกวตตะจึงให้เรียกตัวมาแจ้งว่าแน่อาจารย์ควรที่ท่านจะช่วยงานอันหนึ่งของพวกเราอนุเกวตตะถามว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรขอให้ท่านบอก มโหสถบันดิตจึงชี้แจงให้อนุกเกวตตะทราบว่าท่านอาจารย์จงขึ้นไปอยู่ตามกำแพงเมืองเมื่อเห็นกองรักษาฝ่ายเราประมาทจงโยนขนมและปลาเนื้อเป็นต้นเพื่อพวกกองทัพของพระเจ้าจุลณีในระหว่างในระหว่างแล้วร้องบอกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านจงเคี้ยวกินสิ่งนี้สิ่งนี้อย่ากระสันเดือดร้อนเลย จงพยายามอยู่สักสองสามวันเถิดชาวเมืองมิถิลาก็เดือดร้อนดุดไก่เดือดร้อนตายอยู่ในกรงฉะนั้นไม่ช้าเนาินก็จะเปิดประตูเมืองเพื่อพวกท่านต่อแต่นั้นพวกท่านจงจับพระเจ้ากรุงมิถิลาและมะโหสถผู้ดุร้ายกองรักษาของพวกเราได้ฟังถ้อยคำของท่านก็จักด่าคุกคามท่านจะเป็นเหมือนจับมือและเท้าท่าน ประหารด้วยซีกไม้ไผ่ให้กองทัพพระเจ้าจุลนีเห็นแล้วจะให้ท่านลงจากกำแพงเมืองมุ่นผมท่านให้เป็นจุกห้าย่อมแล้วโรยพงอิดลงบนสีษะท่านแล้วจะให้ท่านทัดดอกยี่โถแล้วตีท่านเล็กน้อยพอให้เห็นเป็นรอยที่หลังท่านแล้วจะให้ท่านขึ้นบนกำแพงเมืองให้ท่านนั่งในสาแหรกเอาเชือกผูกโรยหย่อนลงไปนอกกำแพงเมือง แล้วแสดงให้กองทัพของพระเจ้าจุลนีได้ยินว่าแน่ไอ้โจรทําลายแผนการเองจงไปพวกกองทัพของพระเจ้าจุลนีจกพาท่านไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นจักตรัสถามท่านว่าท่านมีความผิดอย่างไรทีนั้นท่านควรทูลอย่างนี้แด่พระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า แต่ก่อนข้าพระองค์มียศใหญ่มโหสถโกรธข้าพระเจ้าว่าเป็นผู้ทำลายแผนการจึงทูลพระเจ้าวิเทหราชแล้วชิงเอายศของข้าพระองค์เสียทั้งหมดข้าพระองค์คิดว่าจะขอให้พวกคนของพระองค์ตัดศีรษะของบุตรคฤหบดีผู้ชิงยศของข้าพระเจ้าไปคิดชะนี้แล้วได้เห็นโยธาของพระองค์เดือดร้อน จึงให้ของควรเคี้ยวควรกินแกโยธาเหล่านั้นมโหสถผูกใจเจ็บข้าพระองค์เหมือนผู้มีเวรกันมานานไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้จึงให้ข้าพระองค์ถึงความพินาศนี้ชนทั้งปวงของพระองค์รู้เหตุทั้งหมดท่านจงยังพระเจ้าจุลนีพรหมทัตให้เชื่อโดยประการต่างๆเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันแล้วจึงทูลต่อไปว่า ข้าแต่มหาราชจำเดิมแต่การที่พระองค์ได้ฆ่าพระบาทมาแล้วพระองค์อย่าได้ทรงวิตกเลยบัดนี้พระชนม์ชีพของพระเจ้าวิเทหราชและชีวิตของมโหสถจะไม่มีเพราะข่าพระองค์รู้สถานที่มั่นคงสถานที่ไม่มีกําลังและสถานที่มีหรือไม่มีสัตว์ร้ายมีจระเข้เป็นต้นในครูแห่งกําแพงในเมืองนี้ ข้าพระองค์จักยึดเอาเมืองถวายพระองค์โดยการไม่นานเลยครั้นทูลอย่างนี้พระราชาจุลนีจักทรงเชื่อประทานรางวัลแก่ท่านแต่นั้นจะให้ท่านปกครองกองทัพและพาหนะของพระองค์ทีนั้นท่านจงคุมกองทัพของพระเจ้าจุลนีให้ลงในคูที่มีจระเข้ร้ายกองทัพของพระเจ้าจุลนีก็จักไม่ลงด้วยกลัวเจระเข้ การนั้นท่านจงทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพมโหสดยุยงให้กองทัพแตกร้าวเป็นกบฏต่อพระองค์แล้วใครๆตั้งแต่พระราชาร้อยเอ็ดและพราหมณ์เกวัตตะที่จะไม่รับสินบนมโหสถไม่มีชนเหล่านี้ที่แวดล้อมโดยเสด็จทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นพวกของมโหสถอันเสวะกาหมาดของพระองค์มีแต่ข้าพระบาทคนเดียวเท่านั้น ถ้าพระองค์ยังไม่ทรงเชื่อจงมีพระราชองค์การแก่พระราชาเหล่านั้นทั้งหมดว่าเธอทั้งหลายจงแต่งองค์มาหาเราดังนี้ทีนั้นพระองค์ก็จะพึงทอดพระเนตรเห็นอักษรในราชาพรมีภูษาทรงเครื่องประดับและพระขันเป็นต้นอันมโหสดจารึกนามของตนถวายไว้แก่พระราชาเหล่านั้นก็จะพึงทรงเชื่อท่านทูลชะนี้ พระเจ้าจุลนีพรหมทัตก็จักทรงรรทําตามอย่างนั้นจากท่อพระเนตรเห็นอักษรที่จะรึกชื่อมโหสถในราชาพรเหล่านั้นก็จักทรงเชื่อและกลัวสะดุ้งพระหฤทยัยทรงพระราชาเหล่านั้นกลับไปแล้วจักตรัสหาหรือทินว่าบัดนี้เราจักทำอย่างไรดีท่านบัณฑิตท่านควรกราบทูลพระองค์ดังนี้ว่า มโหสถเป็นคนเจ้ามายามากถ้าพระองค์จักประทับอยู่สิ้นวันเล็กน้อยมโหสถก็จกทรงทำปวงเสนาของพระองค์ให้อยู่ในเงื้อมือตนแล้วจับพระองค์เราทั้งหลายอย่าเนิ่นช้ารีบขึ้นมา้าหนีไปเสียในระหว่างมัชชิมยามวันนี้ขอมอรณะใครของพวกเราจงอย่ามีในเพราะคนอื่นเลย พระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทรงฟังคำของท่านดังนั้นก็จักทรงทาตามท่านจงกลับในเวลาที่พระเจ้าจุลนีหนีไปแล้วยังพวกโยธาของเราให้รู้พรามอนุกเกวตตะได้ฟังคำชี้แจงนั้นก็กล่าวว่าข้า แ, แต่ท่านบัณฑิตดีแล้วข้าพระเจ้าจักทาตามคำของท่านมโหสดจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น ท่านควรทนต่อการโบยตีเล็กน้อยอนุเกวตะกล่าวตอบว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตยกเสียแต่ชีวิตและมือเท้าของข้าพเจ้าเหลือจากนั้นท่านจงทาต า, ตามชอบใจของท่านมโหสถจึงให้สิ่งของแก่ชนในเรือนของอนุเกวตะแล้วทำพรามให้ถึงประการอันแปลกโดยในที่กล่าวแล้ว แล้วให้นั่งในสาแรบเอาเชือกผูกโรยลงไปให้แก่พวกสเสวกของพระเจ้าจุลนีพรหมทัต